ไม่มีใครเลยสักครู่หนึ่งอาใช่ความเปล่าเปลี่ยวที่น่รังเกียจนักการคิดถึงใครสักคนตลอดเวลาต่างหากที่ช่วนให้เห็นโลกอ้างว้างอย่างน่ากลัวไม่มีอุบายหรือวิธีเจริญสติวิปัสสนาแบบไหนที่ช่วยให้ลืมใครหรือไม่ต้องทุกข์เพราะใครได้จริงแต่หากเจริญสติคุณจะรู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวทุกที่ลมหายใจนี้ลมหายใจหน้า ก็คลายลงแล้วใครไม่เจอกับตัวอาจจะรู้สึกว่าจะอะไรกันนักกนหนากับแค่คนรักเก่าที่จากกันไปแล้วก็ตัดใจไปสิก็พยายามเอาใจมาผูกอยู่กับคนใหม่สิเขาไม่ใช่ของเราอะไรต่อมิอะไรแต่คนที่เจอมาจะรู้สึกยึดติดถือมั่นรู้สึกว่าไม่ลืมสักทีแล้วก็ทรมานใจ บางทีนอนกระสับกระส่ายเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าปล่อยให้ใครบางคนหลุดมือไปหรือเปล่ารู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจรู้สึกเหมือนยังเป็นเจ้าของเขายังเป็นของของเราอยู่การจะลืมใครบางคนให้สนิทหรือคิดจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะจําใครได้เป็นแค่ความอยากที่สูญเปล่าอีกครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่มีอุบายใด โดยกระทั่งวิธีเจริญสติวิปัสสนาแบบไหนที่ช่วยให้ลืมใครหรือไม่ต้องทุกข์เพราะใครได้จริงการเจริญสติที่ถูกทางต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าคุณจะไม่ลืมเขาไม่หายทุกข์เพราะความทรงจำไปอีกหลายปีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสำคัญระหว่างปล่อยใจกับเจริญสติคือเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้ว่า ความทุกข์เป็นของชั่วคราวที่ลมหายใจนี้ทุกข์มากที่ลมหายใจหน้ามันน้อยลงที่คนเราทรมานใจกันก็เพราะรู้สึกว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่หายไปไหนมันจะรบกวนจิตใจไปเรื่อยๆไม่นึกถึงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะสักแค่ไหนก็ตาม ขอให้มองว่ามันมาลงอยู่ที่คำคำเดียวนั่นแหละคือยึดติดถือมัน่นเป็นความร้อยรัดเป็นยางเหนียวอาการร้อยรัดเป็นอย่างไรมันรู้สึกแน่นเข้ามาจุกเข้ามาในอกมันรู้สึกเหมือนเรากำลังกอดอะไรไว้ไม่ได้กอดด้วยอ้อมแขนแต่เป็นอ้อมใจความรู้สึกเหมือนยางเหนียวเป็นอย่างไรเป็นความรู้สึกเหนียวแน่น ผูกพันให้กำกับคำลงไปเลยนั่นแหละเรียกว่ายึดติดถือมั่นนั่นแหละยางเหนียวในทางการเจริญสติแล้วอะไรที่ปรากฏบ่อยๆเหมือนเป็นแขกประจำมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะจำได้ง่ายเราจะเห็นได้ชัดรู้สึกได้ทันทีว่ามาอีกแล้วแขกเจ้าประจำ คุณไม่จาเป็นต้องพยายามขับไล่แขกประจำเพราะว่าถ้าเราไม่เชื้อเชิญยังไงก็จะมาบ้านเราอยู่ดีบ้านเราก็คือจิตในไหนเข้ามาแล้วก็ใช้เขาให้เป็นประโยชน์วันๆเราอาจจะต้อนรับแขกหลายคนแต่แขกคนนี้เราจำไว้เป็นพิเศษดูหน้าให้ชัดๆเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรหูแหลมๆตาแหลมๆจมูกโดงๆปากเป็นอย่างไร เราสังเกตใคลด้วยความพิจารณาอย่างไรให้สังเกตอาการยึดมั่นถือมั่นด้วยลักษณะแบบเดียวกันนั้นว่ามีความเป็นอย่างไรเพื่อให้จดจาได้ชัดๆพอเขาปรากฏตัวเราจำได้ทันทีพอเขาหายไปเราก็จาได้ทันทีว่าหายไปแล้วฉันไดฉันนั้นเมื่อฝึกที่จะพิจารณาว่าแขกมาเองแล้วไปเอง เราจะสามารถรู้สึกว่าความยึดติดถือมั่นที่เหมือนไม่เคยเสื่อมคลายไม่เคยเลิกรานั้นไม่จริงมันมามาแล้วก็ไปไปผ่านไปไม่กี่นาทีความรู้สึกจะคลายลงแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม่เหมือนแขกเจ้าประจำไม่มีความรู้สึกแบบที่ค้างค้างทาวอหรอกนี่คือความจริงที่คนไม่สังเกตพอเรามีอนิจจสัญญา คือรู้สึกว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงในที่สุดถึงวันหนึ่งมันจะรบกวนใจิตใจเราไม่ได้จริงๆฝึกแบบนี้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องทุกสถานการณ์จริงๆ